ท่าน 2526 หนังสือพิมพ์ในประเทศ เรื่องที่ชื่อดังที่สุดในภาคใต้ในขณะนั้นก็คือนั้นก็คือมีเต่าฝูงหนึ่งได้จันทสโรพระเถระผู้ เหล่านั้นเข้ามาในวัดแล้วก็ตรงไปยังที่วางศพของหลวงพ่อสงฆ์แล้วต่างรั่งน้ําตาร่ําห่าอย่างอาลัยอาวรต่อการจากไปของหลวงพ่อสงฆ์การที่พระอภิญญาจารย์รูปหนึ่งหรือใครคนใดก็ตามตายจากไปผู้ที่อยู่ข้างหลังก็ร้องไห้ด้วยความอาลัยอาวรในการพัดพรากอันนี้ และเฉพาะมาเกิดขึ้นเอากระเต่าซึ่งเป็น เอาที่ 3 ไม่เคยปรากฏเหตุการณ์อันน่าตรึงแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเลยหลวงพ่อสงฆ์ท่านเป็น 30 เมษายน 2432 ปี ท่านเป็นลูกคนที่สองของพ่อแม่เป็นลูกคนที่ 2 ของพ่อแม่ซึ่งก็เป็นคนสุดท้อง มีที่ทางทํามาหากินมีวัวควายได้ใช้แรงทํา เรียนไปด้วยรับใช้พระไปด้วยไม่ได้เรียนเป็น โดยแบ่งเวลาว่าเอ่อจะไปอยู่รับใช้เรียนหนังสือกับหลวงพณุฒที่วัดดอนตอนกลางคืน วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยชีวิตของเด็กชายสงก็ ท่านก็เลือกถ่ายทอดวิชาต่างๆที่เห็น เพราะว่ามีอุปนิสัยที่เหมาะสมหลายอย่าง ตอนนั้นเติบโตเป็นหนุ่มแล้วเห็นว่ามีวิชาติดตัวพอสมควรก็กลับไปอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ทํางานต่อไปแต่ก็ไม่ลืมแวะไปปฏิบัติธรรมปี ด้วยความใกล้ชิดวัดใกล้ชิดพระเนนครูบา เป็นลูกเพียงคนเดียวสามเณรสงฆ์ก็เลยตัดสินใจลาสิขาออกไปช่วยพ่อแม่ทํางานต่อไปภายหลังๆก็ พ่อแม่ของท่านได้ถึงแก่กรรมลงเมื่อสูญสิ้นพ่อ ต่อมาก็ติดตามมโนราคณะหนึ่งไปเป็นเด็กรับ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนมีเรื่องเล่าว่า ด้วยเงื่อนไขที่ว่านิโนราแต่ละเอามาอวดมาโชว์กันเต็มที่เพื่อจะให้ผู้ ตลอดแล้วก็มีความคิดเห็นว่าจะปล่อยแน่ๆในขณะที่การตัดสินกําลัง นักดนตรีก็ทําหน้าที่ของตัวใจตื่นเต้นตึงตังอย่างนั้นก็ค่อยๆกลับมาชมที่คณะนายสงว่าเขา ผู้ชมเนี่ยนั้นก็จ้องดูด้วยอาการจดจ่อที่ร่างในสงค์สักพักสายตาทุกคู่ก็พบกับเหตุการณ์ เพียงคณะนายสงมีผู้ชมมากที่สุด คงเอาหมดเมื่อจะกลับมาทํามาหากินก็ไม่มีที่ โดยคราวนี้ตัดสินใจว่าจะอยู่ครอง พระอุปัชฌาย์ก็ตั้งฉายาให้ท่านว่าจันทสโรใน ไหหลำออกมั่นษาแล้วท่านก็กราบลาพระอาจารย์ที่ ไปไปถึงไหนไปถึงไหนได้ทราบ วิปัสสนาจารย์ชื่อดังแห่งวัดโคสิดอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตก็ หลวงพ่อ 2 ทุดงผ่านมาตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองจังหวัดชุมพรแต่สภาพบริเวณแถบนั้นยังเป็นป่าไม่ซึ่ง ได้ออกไปหาของป่ากับลูกชายได้ของตามต้องการแล้วสองแม่ลูกบอกหนักๆหวางๆหนักๆหวางๆ อุบวาดทําท่าจะเดินต่อไปก็ได้ยินเสียงเนี่ยดังๆวางเสียหนักๆวางเสียคราวนี้สองแม่ลูกก็ถามถามกันว่าได้ยินเสียง สองแม่ลูกก็ตะลึงไม่เห็นว่าวางซะหนักลักวางซะมองหน้ากันเลิกลักก็คิดว่าถูกผีหลอกเอนกพูดได้นี่เพิ่ง มันก็ร้องอยู่อย่างนั้นน่ะครู่นึงก็บิน 2 แม่เมื่อ 2 แม่ลูกไปถึงที่ใกล้ๆต้นไม้ใหญ่ที่เห็นนกตัวนั้นบินไปเกาะ ว่าสิ่งที่ตัวเห็นนี่เป็นพระภิกษุหรือว่า อาตมาชื่อพระสงฆ์จันทสโรทุรดงมาปฏิบัติอยู่ที่นี่หลายวันอ่าว่าๆนางกับลูกชายก็ พอไทยถามความเป็นอยู่ทุกสุขกันตามสมควรหลังจาก ส่วนนางกับลูกชายก็หาบของ แต่สีหน้าแล้วแววตาท่านสดใสเมื่อเดินกันมาถึงบริเวณ หลวงพ่อสงฆ์ท่านก็พิจารณาวัดร้างแห่งนี้แล้ว จะได้ใส่บาตรกันนางจะไปบอกชาวบ้านก็ดีใจกันหลายคนไปหาไปกราบสนทนาด้วยชาวบ้าน วันรุ่งขึ้นหลวงพ่อสมก็ได้ออกรับบิณฑบาตในหมู่บ้านนั้นตามที่รับปากไว้ผู้คน พวกเขาก็ลากลับไปดูแลงานเรื่องสวน ร่วมกันมานิมนต์ให้หลวงพ่อสงฆ์อยู่บ้านก็ดีใจกันเล็กๆให้หลัง งานพัฒนาในวัดก็ดําเนินไปได้อย่างรวดเร็วเสนาสนะที่จําเป็นจําเป็นก็ค่อยๆค่อยๆสร้างขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาของวัดร้างแห่งนั้นก็ๆ ก็จึงได้เชิญขึ้นมาไว้บนจอมปลวกภายในวัดศาลาไม้หลัง 1 ลอย ด้วยเหตุนี้ก็ทําให้การพัฒนา ก็ให้มายืนรอหน้ากุฏิท่านจะออกมาให้พรหรือว่าสนทนาด้วยที่หน้ากุฏินอกจากนั้นเรื่องเงิน ไม่ว่าจะเป็นสบงจีวรท่านจะเอาของเก่าๆ ที่สําคัญก็เรื่องลือกันว่าท่านเป็นพระวาจาศิษย์พูด ผู้คนหลากหลายกันมาเยอะมาจากครอบครัวที่แตกต่างกันจึงมีมาทั้งผู้ที่มีศรัทธาอย่างเปี่ยม ความศักดิ์สิทธิ์ในยุคนี้ว่าจะมีจริง ก็เลยทําให้เขาไม่กระจ่างแจ้งในสิ่งที่อยากจะพิสูจน์ก็ถามคุ้ยแคะซอกแซกต่อไปจึงงัด ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ก็เข้าใจในเรื่องนี้ดีผู้ มีเสียงแม้หนทางจะกลับไปบ้านตัวเองก็กลับไม่ถูกกลับมาเป็นคําบอก ก็ถึงกับเป็นบ้าไปจริงๆครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟัง มีเรื่องเล่ากันมาว่าปกติหลวงพ่อ เรื่องความเมตตาสัตว์เดรัจฉานนี้เป็นที่ทราบดีในหมู่ผู้ศรัทธาท่านด้วยเหตุนี้ เมื่อไปถึงก็ก้มกราบหลวงพ่อเสร็จหลวงพ่อสงเหลือบไปเห็นกล่องก็พูดโยมเอานกมาทําไมอ่ะเออไม่อ่ะมัน ข้าราชการคนนั้นไม่กล้าจะโต้เถียงกับท่านก็เลยตัดสินใจเปิดกรงออกเพื่อจะให้ท่านได้ เชื่อมั่นและศรัทธาหนักแน่นยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ ต่อมาท่านรับถวายกวางป่าไว้เป็นตัวผู้ตัวเมียอย่างละตัวกวาง เพราะเห็นว่าเป็นขวางของหลวงพ่อสงฆ์ต่างก็ไม่เพราะ ดีด้วยมันก็ดีตอบอย่างนั้นน่ะในวัดเจ้าฟ้าศาลาลอยของหลวงพ่อสงฆ์ชาวบ้านร้านตลาดชาวสวนชาวไร่รู้กันโดยว่าความของหลวงพ่อสงฆ์นี้หากว่าเจ้าของสวนเจ้าของไร่คนไหนดีด้วยเมื่อเข้าไปกินพืชผลในเขตพื้นของเขาเค้าไม่ทําลาย ไม่มีความเมตตาจะแบ่งปันของ หลวงพ่อแต่ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรและลูกศิษย์เห็นแผลแล้วก็รู้ทันทีว่า ใช้ทั้งยาสมุนไพรและแผนปัจจุบันก็ไม่หาย หลวงพ่อ 2 ชัยปฏิหาณคุ้มครองทรัพย์สินๆนั้นตอนนั้นย่านนั้นยังไม่เจริญอย่าง ก็เลยทําให้เกิดมีพวกมิชชาชีพ เพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้ก่อสร้างอะไรยำเกรงของคนทั่วไปพวกโจรน่ะคงจะไม่กล้า โดยลอบเข้ามาขโมยควายภายในวัดไปเป็นควายถึกเจ้าหัวขโมยสบโอกาสเห็นว่าปลอดคนอยู่ภายในวัดหาทาง แม้แต่หลวงพ่อสงฆ์เองก็เห็นผู้ชายคนเนี้ยเดิน แต่ก็ยังไม่มีใครสงสัยฉุกคิดก็เพราะว่าเจ้าของควายตัวอ่ะมาถึง บอกให้กินซะให้อิ่มเขาคนนั้นก็เกิดความกลัว ผู้ชายคนนั้นก็กราบลาแล้วก็ออกจากวัดไปตั้ง เกิดมีกระสุนดินเหนียวมาจากทิศที่เป็นที่ตั้งกุฏิของหลวงพ่อสงฆ์ปลิวมาโดนหัวหัวโนไว้ทั้ง 2 คนแล้วก็ คนอยากลองดี 2 คนนั้นโดนกระสุนดินเหนียวเข้าหลายนัดหัวโนไปหลาย ชาวบ้านย่านใกล้ไกลต่างก็รู้กันดีว่า ก่อนจะถึงวันงานก็ต้อง เขาเดินตรงเข้ามาแล้วปีนขึ้นๆกันมาว่าเมื่อเจ้า ก็เลยถูกลงโทษเข้าให้แล้วก็บอกให้ไปกราบขอขมาหลวงพ่อ ท่านก็จัดอีกเหตุการณ์หนึ่งที่มีการเล่าต่อๆกันมาเอาน้ํา ในวัดซึ่งมีบริเวณกว้างมากเด็กเลี้ยงควายก็มักจะเอาควายมาเลี้ยงแล้วก็ตอนถูกชะตาเป็น เอาใจใส่ในหน้าที่การงาน เด็กชายแดงก็รับปากโดยที่ไม่ได้ หลวงพ่อรับแล้วก็บอกว่าเด็กชายแดงบอก ปรากฏว่ามันเปลี่ยนเป็นควายตัวเล็กๆ2 ตัวมีขนาดเท่ากำปั้นแต่ลักษณะทุกอย่างน่ะ เด็กชายแดงก็นั่งเชียร์ควายอยู่เพลินจนลืม ใครๆก็ใครฟังก็มีคนเชื่อบ้าง ela hoje seいた street del rato, whoinson jif Blackton, where there ครูไปตามหมอทำแยมาได้เลยเด็กนี่จะเป็นผู้ชายตัวอ้วนน่ารักแกครูแปลกๆเรื่องการ เมื่อพระปลัดบุญชวนเกมาภิรโตซึ่งเป็นหนึ่งในพี่น้องร่วมอุทอนธรรมของท่านพุทธธาตุท่านปัญญาภิกขุโดยถูกจัดเป็นคนที่ 2 ได้มาเยี่ยมหลวงพ่อสงฆ์ที่วัดเจ้าฟ้าศาลาร้อยหลวงพ่อสงฆ์ก็ได้ให้การต้อนรับขับสู่เป็นอย่าง พระปลัดบุญชวนยังเป็นเพียงเจ้าอาวาสวัดเล็กๆยังไม่ วัดอนัตตมัยตรียารามที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่จนกระทั่งได้เป็นพระราชาคณะหรือว่าท่านเจ้าคุณที่พระประกาศิตพุทธศาสน์แล้วปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศอีกหลาย เจ้าอาวาสจังหวัดจุ้มพรได้ถึงแก่มรณภาพลงคณะสงฆ์จึงได้เรียกตัวพระประกาศิตพุทธศาสตร์กลับจากประเทศสิงคโปร์ภายหลังจากไปปฏิบัติหน้าที่เจ้า ก็เลยมีพวกที่นิยมในทางเนี้ยไปเฝ้ากันตั้งแต่วันยันค่ํา ของดี ก็มียาฉุนที่ท่านเน็บจนจืดแล้ว. หลวงพ่อสงฆ์ที่ผู้คนอยากแต่จะเอายาฉุนมาเหน็บไว้ในปากจนจืดที่ เพราะมันเป็นของที่ไปจับปากอันมีๆจึงไม่พอ มีคนไปหากันแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เคยเจอมัน ยังมีน้ำมนต์เล่ากันว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมีคนไปขอน้ำมนต์จากท่านเพื่อเอาไปบูชาไปดื่มกันมากมายจนหลวงพ่อตอตุ่มใบนึงไปวางไว้หน้ากุฏิแล้วก็เอาน้ำมนต์ที่ท่านเสกตอนกลางคืนไปใส่ไว้ให้ใครอยากได้ หลวงพ่อท่านถือการบิณฑบาตเป็นวัดอย่างเคร่งๆซึ่งก็มีน้อย ท่านจะเอาของทุกอย่างที่มีผู้นํามาถวายอย่างละนิด แต่ก็มีคนเอาไปดื่มเอาไปบูชากันอย่างไม่รังเกียจไปอย่างใดมีอยู่ เม็ดข้าวสวยแล้วก็เศษอาหารอื่นๆก็เกิดความ ส่วนที่ตัวก็ไปอาบน้ําชำระออกอย่างสะอาดพอขยิกขึ้นมาอีกก็ Blue เป็นหนอนอะไรกันแน่ Hin trading together for the battle, คิดได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นเขาก็จุดธูปเทียนระลึกถึงหลวงพ่อสงฆ์ เล่าลือกันว่าท่านสามารถรักษาโรคที่หมอทั่วไปรักษาไม่หายให้ ที่หลวงพ่อใช้เป็นยาวิเศษในการรักษาขอให้ท่านรักษาท่านก็ใช้น้ํา ซึ่งเมื่อก่อนนี้ติดเหล้าอย่างหนักทํามา จนทุกคนเห็นว่าหมดความสามารถที่จะรักษาให้ คุณพ่aramปลา because of our spirit loss ผ่านกัน அาการแอย่ง แต่เมื่อดื่มเข้าไปกลับรู้สึกไม่เค็มเลยรู้สึกร้อนร้อนท้องเหมือนก็กินยาจริงๆแต่เมื่อเดินกลับบ้านเดินมาไม่นาน ท้องไท袖ก็เริ่มป่вой และอาเจียนออกมาหมดไทโทษในที่สุดหลังจากอาเจียน이เต็มที่แล้วก็มีอาการเม็งเหล่าไม่อยากดื่มอีกเลยคุณพ วันที่หลวงพ่อสงฆ์มรณภาพเนี่ยมีสัตว์ชนิดหนึ่งได้ ท่านจะเอาเหรียญสตางค์ติดไว้บนกระดองของ เต่าพวกนี้ก็มีมากๆในคือเต่า 6 ขาที่ชาวบ้านก็เรียกๆ เหตุปาฏิหาริย์ในครั้งนั้นเป็นเรื่องเล่าขานกันไม่รู้จบกันอยู่ตราบจนทุกวัน ชาวบ้านเห็นเหรียญที่กระดองมันก็จําได้ว่า ที่ไม่เคยปรากฏอย่างนี้ที่ไหนมา ท่านมรณภาพวันอังคารที่ 2 สิงหาคมพุทธศักราช 2526 ใน 94 ปี 3 เดือนภายหลังจากทําพิธีสวด สังขารอันไร้วิญญาณของหลวงพ่อสงฆ์ไม่เน่าเลยไม่มี แม้ปัจจุบันเวลาผ่านไปหลายสิบปีแล้วสภาพศพของหลวงพ่อสงฆ์ สัพพทานังธรรมทานังแปลว่าแปลว่าการให้ธรรมแต่กินใช้เพียงวันก็พลันหมดชนะการ มิรู้สิ้นกินใช้มิได้หมดมิได้หมดธรรมร blond แม้น้อยอร่อยนานพระพิภัทพริปล mud นูกกูลกวีจงหวรยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับ ท��นผู้ฟังที่ 170 เดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยนิทานนะครับ ตั้งก็ไม่ว่าอะไรมันแต่เมื่อนานเข้ามันก็เล่นหนักขึ้นทําลาย ภรุนิสัยสุขสันต์ของมันฤาษีก็ไม่ยอมปล่อยมันที่เมืองแห่งหนึ่งมีพระราชาองค์หนึ่งปกครองประชาชนให้ได้รับ จงล้อมสัตว์ตัวนั้นเอาไว้นะอย่าให้มันหนีรอดไปได้ถ้ามันหนีไปทางใครคนนั้นจะต้องมีโทษ มาถึงอาสมฤาษีก็แวะเข้าไปนมัสการพอนั่งพักจนหายเหนื่อยแล้วก็อาจารย์ท่านอาจารย์ปล่อยลิงตัวนั้น ท่านอาจารย์พระโตก็มันเป็นสัตว์เดรัจฉานน่ะมันจะไปรู้เรื่องอะไรปล่อยมันเถอะสงสารมันนะครับประชาก็เออมันก็ได้น่ะมหาบพิตรแต่ต้องอืมอ่ะตกลง เสร็จแล้วพระราชาก็อำลากลับแม้กระทั่งหลังคาอาศรมมันก็พังยับเยิน แต่เจ้าลิงเอานิ้วไปแหย่สร้างความรำคาญ ก็เสด็จไปยังอารามของฤาษีแล้วตามจนกระทั่งเจอพระฤาษีอยู่ๆพระฤาษีก็ตอบ ให้สร้างอาสมถวายฤาษีแล้วก็เสด็จกลับเมืองแล้ว มาอยู่ในกรอบในเกณฑ์อันนี้ต้องใช้ตัวบทกฎหมายบังคับหากบ้านเมืองใดไม่มีกฎหมายหรือกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์บ้านเมืองนั้นย่อมวุ่นวายไม่สงบสุขกฎหมายมีไว้เพื่อบังคับให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขกฎหมาย จบจากนิทานก็มาเรื่องประวัติของพระที่น่าสนใจนะครับ 3 ท่านมีพี่น้อง 8 คนเกิด ครอบครัวของท่านมีอาชีพในการทำปีแล้วเลิกจากการศึกษาก็กลับไปช่วยพ่อ 22 ปีบริบูรณ์พ่อแม่ อาจารย์มากวัดนาตาขวัญเป็นพระกรรมวาจาจารย์ณพระอธิการรวยวัดบ้านแหลงเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อบวชแล้วก็ได้เล่าเรียนพระธรรมวินัยแล้วก็จําพรรษา บ่าอาจารย์ที่มีความชํานาญในเชิงรักษาครั้งแรกที่ ในขณะที่เป็นในด้านการปกครองอาวาสวัดนาตาขวัญท่าน ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลนาตาขวัญเมื่อ พ.ศ. 2468 เป็นพระครูประทวนเมื่อ พ.ศ. 2471 และเป 2475 เป 24 เป็นพระ 2476 ในขณะที่ท่านเป็นเจ้าคณะอําเภอนั้นท่านได้บําเพ็ญหน้าเช่นอุโบสถวัดสมบูรณารามหรือว่าห้วยปลักชั้นไม้ตะเคียนแล้วก็ไม้ คั้น พ.ศ. 2483 ท่านเห็นความชราภาพสุดโสมใน ทางบ้านเลยเพราะการเคารพและนับถือท่านขนาดๆ พากันมารักษาแล้วก็ขอพำนักอาศัยอยู่ในวัดโรคบางอย่างก็เป็นที่ๆแม้ประชาชนและ 2498 ด้วย ประกอบกับความชราตาม 15 พฤษภาคม 2498 เวลา 11:30 น. ท่านก็ถึงซึ่งมรณภาพ 82 ปีอุปสมบทได้ 60